92. <Book> two orphans. อนุประโยครองลงมาที่สองบิสเซ็ิงกมอ 2. ผมโมโหที่คุณนอนกรน Det i r อ i t e r เ r mig อตูสนอกร์ ผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มากดิท์อิริเตอร์เมย์แอร์ดูิการ์ซอร์มาผมโมโหที่คุณมาช้าดิท์อิริเตอร์ i มย์แอร์ดูคอมเมอร์ซรผมคิดว่าเขาต้องการหมอแย่ทรัวแอร์ันฮาผมคิดว่าเขาไม่สบาย ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเราเราหวังว่าเขามีเงินมากเราหวังว่าเขามีเงินมาก เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านวิฮ็เปอร์แอร์มิลนีรผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตยุยาฮาร์ฮ์ร์ทอะดินโคเนว่าเมลอีนลกผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยาฮาร์ฮ์ร์อะดินน่วล์กผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดน ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคันันไ่อนผมดีใจที่คุณมาฉันดีใจท r ่คุ a มาฉันดีใจที่คุณมนดีใจที่คุณมนดีใจที่คุณมาฉันดมาฉันดีใจทมดีใจที่คุณมาฉันดมานดีใจที่ค er er มดีใจที่ค่ ผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้วผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว Jeg er bange for, at jeg ikke har nogen penge med.